บัดนีจ้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายเสืบอต่อไปปัญหาสำคัญในการทำความสงบจิตนั้นจุดประสงค์จริงๆก็อยู่ที่สงบนิวรณซึ่งเป็นกิเลสโลกโตดงนั่นเองแต่เกิดขึ้นกรุ่มรุมใจ แสดงออกมาในลักษณะต่างๆซึ่งจำแนกไว้เป็นห้าประเภทด้วยกันคือหนึ่งกามันฉันจิตไปสึกนึกถึงเรื่องที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจปยาบาทจิตไปสึกนึกถึงเรื่องที่ตนไม่พอใจทีนมิทะจิตถูกความง่วงเงาวหาวนอนครอบงำในขณะนั้น อุทจจะภูฏจะจิตฟุ้งสั้นสักสายไปในอารมณ์ต่างๆจนเกิดรู้สึกคำคาญและวิจิกิจจาคือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจปักใจอะไรลงไปไม่ได้เรื่องนิวรณ์ทั้งห้าประการนี้ดูแล้วจะน้อยมากแต่ว่าเป็นตัวการที่สำคัญที่ที่เรียกว่าปริยุทธานกิเลส คือกิเลสซึ่งเกิดขึ้นค ร, รุ่มรุ่มใจคนเอาไว้ถ้าหากว่าสามารถปฏิบัติส ง, งบส ง, งับนิวรณ์ทั้งห้าประการลงไปได้การบรรลุก็จะได้บรรลุถึงขั้นของรูปฌานเดียวดังนั้นในชั้นแรกนี้จะพูดถึงการบรรเทาและอุบายวิธีในการบรรเทานิวรณ์ ตามที่ทรงแสดงไว้เป็นขั้นขั้ น, นไปเนื่องจากเรื่องของนิวรณ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตใจบุคคลผู้ปฏิบัติคนเดียวเท่านั้นจะรู้ว่าขณะนี้มีนิวรณ์อะไรบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนดังนั้นพระพุทธ เ, เจ้าจึงทรงแสดงขั้นตอนที่เกี่ยวกับนิวรณ์เอาไว้ตามลําดับดังนี้ ข้อหนเมื่อกามฉันนิวรณ์บังเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าขณะนี้กามฉันนิวรณ์บังเกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจของเรากามฉันนิวรณ์นั้นเมื่อเกิดขึ้นให้สังเกตว่าใจจะไปเหนี่ยวนึกถึงสิ่งที่น่าใคลายน่าปรารถนาน่าพอใจ ซึ่งอาจจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสหรือปุตตะภะก็ได้และอาจจะตรึกนึกถึงเรื่องที่เป็นอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้สรุปว่าในขณะนั้นจิตไปตรึกถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่ <c oughs> เมื่อจิตไปตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่การที่จะทำจิตให้ส ง, งบเป็นสมาธิไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ความสงบจ้องจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตไปทำหน้าที่นึกถึงนิวรณ์ไจแล้วนึกถึงกรรมฉันไจแล้วดังนั้นจึงทรงสอนให้รู้ไว้ในเบื้องต้นถ้าจะถามว่ารู้ไว้ทำไมนิวร์นั้นเป็นกลุ่มของปหา r ตปธรรมคือธรรมะที่จะต้องละ การรู้ไว้นั้นก็เพื่อจะหาวิอุบายวิธีที่จะละนิวรณ์เหล่านั้นละนั้นเป็นเป้าหมายแต่ว่าในขั้นแรกก็เป็นการปิดกั้นการบรรเทาการระงับจนถึงการละไปในที่สุดในชั้นที่สองนั้นทรงสอนว่า กามาฉันนิวรที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้โดยวิธีใดก็ให้รู้จักวิธีนั้นๆคือสิ่งทั้งหลายนั้นย่อมมีทางเกิดมันเหมือนกับโจรผู้ร้ายจะเข้ามาในบ้านถ้าหากว่าคนรู้ว่าโจรผู้ร้ายจะเข้ามาทางไหนก็ปิด ก, กั้นทางนั้นเสียโจรก็เข้ามาไม่ได้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ อวัยวะส่วนใดที่เป็นสื่อให้โรคภัยไข้เจ็บเข้ามาได้ก็ปิดกั้นส่วนนั้นเสียโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาไม่ได้เช่นเดียวกันฉนั้นกา마ฉันนิวรนั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจของสุภนิมิตคือจิตไปกำหนดหมายสิ่งต่างๆว่าอนนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ เห็นรูปใจก็ไปกําหนดว่าสวยได้ยินเสียงใจก็ไปกําหนดว่าไพเราะได้สูดดมกลิ่นใจก็ไปกําหนดว่าหอมได้ลิ้มอาหารได้รสต่างๆก็ใจไปกําหนดว่าอร่อยไปจับต้องถูกต้องอะไรยข้าวใจก็ไปกําหนดว่าถูกต้องน่าจับต้องเมื่อใจไปกําหนดการมคุณทั้งห้าประการไว้ในฐานะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็เก็บไว้ภายในใจใจก็เก็บสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้เป็นนั้นมากตามปกติใจคนจะต้องนึกคิดอารมณ์อยู่ตลอดแต่เมื่อจิตไปเก็บไปนึกเกิไปเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ภายในเวลานึกถึงก็ต้องนึกถึงสิ่งเหล่านั้นพระพระมีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่า คนที่ถูกกา ร, รมาฉันนิวรครอบงามนั้นเหมือนกับคนที่เป็นหนี้คนอื่นเขาท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าความคล่ายความปรารถนาความาต่างๆที่บังเกิดขึ้นภายในใจคนนั้นถ้ายังอยู่ในจุดที่คุมได้มันก็เร่าร้อนอยู่ภายในแต่ถ้าหากว่าคุมไม่ได้อยากได้รูปก็ต้องไปซื้อหา อยากฟังเสียงก็ต้องไปฟังเสียงเงินไปฟังเสียงเลยชีวิตคนก็ต้องใช้นี่กันอยู่ตลอดใครไปเก็บไปมากก็ใช้นี่มากเก็บไปน้อยก็ใช้นี่น้อยไม่เก็บเลยก็ไม่ต้องใช้นี่กันอีประการหนึ่งนั้นคือตรึนนึกถึงเรื่องเหล่านั้นบ่อยๆข้อนี้ให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เริ่มมีความเข้มข้นขึ้นโดยลำดับ คือจิตคนเรานั้นมีเชื้อของโลภะอยู่แล้วโลภะกับกามฉันเป็นกิเลสพวกเดียวกันท่านเรียกในที่นี้ว่ากามาธาตุคือเชื้อของความใคร้าความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดังกล่าวแล้วเมื่อมีเชื้ออยู่ภายในเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นดังกล่าวนั้นใจก็ไปกําหนดหมายว่าหน้าคล่ายหน้าปรารถนาหน้าพอใจไปเสทุกเรื่อง ทุกคราวที่ใจกําหนดหมายใจก็จะเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ท่านเรียกว่าสัญญาคือการกําหนดหมายเวลาตามาเห็นรูปหูไม่ฟังเสียงจมูกไม่ได้ดมกลิ่นลิ้นไม่ได้ริมรสกายไม่ได้ถูกต้องสัมผัสแต่เนื่องจากสิ่งนั้นอยู่แล้วภายในใจก็ไปเหนียวนึกมารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสนั้นน่าจะต้องทง้ทงๆที่ในขณะนั้นรูปเป็นต้นนั้นไม่มี แต่เนื่องจากได้เก็บไว้ภายในใจใจก็ไปกําหนดหมายอย่างนั้นแล้วก็ดําริถึงการดําริถึงที่เรียกว่าสังกัปปะนั้นต้องเป็นการดําริที่ซ้ำซ้อนคือคิดแล้วคิดอีกปริมาณความเข้มข้นปริมาณความปรารถนาะก็จะสูงขึ้นภายในใจของบุคคลเรื่อยๆแล้วจะก่อรูปขึ้นมาเป็นกามฉันทะ คือความพอใจในสิ่งที่ตนใคร่ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเสียงก็ตามพอเป็นกามฉันทะใจก็สึกนึกด้วยความพอใจอยู่เรื่อยในที่สุดความรู้สึกแรงขึ้นก็จะกลายเป็นกามปริลาหะแปลว่าความเร่าร้อนเพราะกิเลสกามเนื่องจากไปนึกถึงวัตถุการลักษณะความเร่าร้อนของใจนั้น ก็จะออกมาในรูปที่ทำให้อาการทางกายทางวาจาเคลื่อนไหวซึ่งท่านอุปมาความรู้สึกในขั้นนี้เอาไว้ว่าเหมือนกับงูซึ่งถูกความหิวก็เสียดแทงแกก็เริ่มคลายขหนดของแกแล้วก็เลื้อยไปศรีรษะของแกจะสายไปอาการสายไปของศรีรษะนั้นเหมือนการเหมือนแรงปรักดันของ กวามฉันที่เกิดขึ้นภายในใจก็ บ, บังคาห้สายหาสิ่งที่ตนคลายหารูปที่ตนคลายหาเสียงที่ตนคลายเป็นต้นก็หากันไปเรื่อยบางทีนั้นเนื่องจากไปเก็บไปมากเกินไปยังมีตันหาที่เข้าไปกระซิบว่าไอนี่น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจไอ้นอนน่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจกว่าไอ้ร้านนนท์ดีกว่าอะไร จะกระสิบไปเรื่อยท่านเรียกว่าชับป่าเราียว่าพูกระสิบเวลานีจใจก็จะส่ายเขาเรียกว่าวิสัตติกาคือส่ายไปในอารมณ์ต่างๆหาความสงบไม่ได้นี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มมาจากคิดถึงเรื่องเหล่านั้นไปบ่อยคิดถึงในฐานะที่น่าค่ายน่าปรารถนาน่าพอใจอยู่บ่อยๆประการที่สามนั้น เมื่อใจไปคิปไวอย่างนั้นแล้วอาการสั่รวมระวังอินทรีย์ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะโดยปกติก็ติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสอยู่แล้วก็อยากดูอยากฟังอยากกลิมอยากถูกต้องอยากดมอยู่เรื่อยในที่สุดการสั่รวมระวังอินทรีย์เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกกลิ่นลิ้นนิ้มรสกายถูกต้องปวดปภาก็ไม่ไม่หยุดอยู่ในจุดใดจุดห น, นึ่ง แต่ก็ตามไปพยายามที่จะหาแง่มุมให้เห็นความสวยงามเป็นต้นของสิ่งเหล่านั้นให้ได้และในที่สุดก็เก็บเอาไว้ภายในอีกทีนึงต่อแต่นั้นท่านบอกว่าเพราะไม่สารวมไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาราท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าอาหารนั้นแท้ที่จริงและเป็นอาหารกาย แต่เนื่องจากกา ร, รมคุณมีทั้งรูปมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งสัมผัสเพราะฉะนั้นอาหารกายซึ่งน่าจะเน้นที่คุณประโยชน์ทางกายแต่ว่าตกแต่งให้รูปร่างสวยงามตกตบตกแต่งให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีว่านั่นอริดอร่อยเป็นต้นแล้วก็ตกแต่งให้กลิ่นหอมชวนรับประทานตกแต่งให้รสอร่อย ตกแต่งให้มีรูปน่าจับหน้าต้องเลยกลายเป็นวัตถุกรรมรวมกันเป็นสามอันแต่ทั้งห้าอันไปเไมื่อรวมกันไปนทั้งห้าอันบริโภคอาหารที่มีวัตถุกรรมปนแทรกอยู่ทั้งห้าอย่างเช่นนี้การรู้จักประมาณในพระตาหารก็ไม่เกิดขึ้นการบริโภค พ, พระตาหารมากนั้นเป็นการกระตุ้นกรรมฉันนให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจ ข้อนี้ให้ลองพิจารณาดูว่าศีลแปดที่รพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นั้นศีลข้อที่หกที่เจ็ดที่แปดซึ่งเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในเวลาลาวิการการดูพรอนรำขับร้องพระกคมดุนตรีดิตศีตีเป่าตลอดถึงการทัดทรงรูปลายร่างกายโดยดอกไม้ของของเรื่องยองเรื่องถานั้นว่ากันตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องบาปอะไร คนกินข้าวไม่ได้บาปอะไรหรอกแต่ปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าไปเพิ่มส่วนนี้ขึ้นความรู้สึกในทางกลรมฉันก็จะสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นแล้วศีลข้อที่สามซึ่งเป็นอภรรมจริยานั้นจะรักษาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลอีกสามข้อนี้จึงเป็นอุปการธรรมคืนหนุนให้รักษาศีลข้อที่สามได้แต่นั้นเองที่เรียกว่าสารวมระวังอินทรีย์ เมื่อเมื่อเมื่อไม่มีการสมรวมระวังอินทรีย์ใจของคนเราก็จะสายไปหารูปที่น่าไข้น่าปรารถนาเป็นต้นเหล่านั้นอยู่ตลอดไปและอีกอย่างหนึ่งคือการสนทนากันการครบหาสมาคมกับคนที่ไม่ดีคือหมายความว่าไม่รู้โทษของกามคุณไม่รู้โทษของกาม มักจะชวนมักจะกระตุน้นเร่งร้าวเชิญชวนให้ไปหาอาหารบริโภคที่ดีๆ ด, ดูรูปที่สว ย, สวยฟังเสียงที่ไพเราะดมกลิ่นที่หอมหอมจับต้องสิ่งที่น่าจับต้องเพื่อนมันกระตุ้นอยู่เลยเวลาคุยกันก็คุยเรื่องนั้นอ่านหนังสือก็อ่านเรื่องแนวนั้นจะดูรูปก็ดูรูปในแนวนั้นแต่ละอยู่ส่วนนั้นเป็นการเพิ่มการมั น, นขึ้นภายในจิตใจ นี้เป็นทางเกิดของกามฉันซึ่งหมายความว่าถ้าบุคคลเข้าใจในทางเกิดกามฉันทั้งห้าประการนี้แล้วเป็นการปฏิบัติขัดเกลาเหมือนกับสร้างทำนกขึ้นปิดกัน้นกามฉันไว้ไม่ให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจในกรณีที่ระ ง, งับดับเหล่านี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงไว้ในช่วงต่อไปว่า กามาฉันท์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้ด้วยวิธีนั้นให้รู้วิธีละนั้นซึ่งก็หมายความว่าต้องปฏิบัติตรงกันข้ามแบบกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเพราะธรรมะกับอาธรรมนั้นเหมือนกับความมืดกับแสงสว่างเหมือนกับน้ำสะอาดกับน้ ำ, กนำสกรปรกเป็นวิธีที่แก้กัน ในเมื่อเกิดขึ้นมาจากการยึดถือว่าสวยว่างามก็ต้องปรับใจใหม่คือมองให้เห็นความไม่สวยไม่งามของสิ่งเหล่านั้นให้ได้ยังยกตัวอย่างเช่นรูปซึ่งกำหนดหมายกันว่าสวยว่างามว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเราจะเอารูปอะไรเอารูปวัตถุอื่นอย่างอื่นก็ได้ อย่างวิทยุอย่างโทรทัศน์เราดูเขาสายไว้สวยพอถอดเครื่องออกพอถอดแกลองมันออกก็ยิ่งไม่สวยไม่งามพอกระจายวัตถุชิ้นเหล่าต่างๆออกไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกรรมฉาัานที่สร้างติดสร้างความยึดความติดให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลมากนั้นอยู่ที่รูปของบุคคล ทางรูปของตัวเองและรูปของบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีกรรมฐานอีกกลุ่มหนึ่งให้ดูกายตัวเองเรียกว่ากายการตาสติคือให้มีสติเป็นไปในกายดูกายของตัวเองดูอะไรดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้อดูเลือดดูหน่อง แต่ว่าเอาเฉพาะห้าอย่างก่อนคือผมขนและฟันนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในภายนอกถ้าดูแล้วยังสวยงามอยู่ก็ให้ดูแยกคือให้ดูโดยสีโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของแต่และอย่างแห่งผมขนและฟันของเรานนั้เมื่อดูได้อย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้สวยไม่ได้งามอะไรไพอดูที่ตัวเองได้ว่าไม่สวยไม่งามก็โยงไปหาคนอื่นได้ที่เรียกว่าอสุภะกรรมฐานคือมองให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามมองที่เราได้ก็มองที่คนอื่นได้ตัอย่างผมขนเล็บฟันหนังนั้นจะเห็นได้ว่าในกรณีที่อยู่ในที่ที่คนอยู่เท่านั้นเอง จึงมองเห็นเป็นสวยเป็นงามกันแล้วก็กาหนดหมายกันว่าสวยว่างามแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนสถานที่ไปเช่นผมไปตกลงในอาหารก็รู้สึกขยะขยงแล้วไม่อยากจกยบริโภคอาหารเรืนั้นโดยซ้ำไปถึงแม้จากฝืนใจบริโภคก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นออกจะก่อนไป้นนี่เป็นการแสดงเห็นว่าโดยส่วนลึกของจิตใจแล้วบุคคลมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าความปฏิกูลของสิ่งเหล่านั้น แต่วันไหนขณะเดียวกันโมหงแกก็มากเหมือนกันภายในใจเมื่อต่อสู้กันไปปัญญาแพ้มโมหะชนะใจก็ต้องลุ่มหลงอยู่ในเรื่องเหล่านั้นต่อไปเรื่องเหล่านี้ต้องคิดบ่อยๆต้องกระทําบ่อยๆต้องนึกบ่อยๆเรียกว่ามานัสิกานให้เห็นความไม่สวยไม่งามให้มากท่านทั้งหลายจะพบว่า โดยโปกติแล้วใจเราไปกำหนดรูปเสียงกลิน่นรสผู้รัว่าน่าค่ายน่าปรารถนาน่าพอใจอยู่ทุกวันวันหนึ่งเรามากมเลยแต่ถ้าเราคิดในฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจน้อยมันก็เหมือนกับว่าในภาชนะแห่งหนึ่งภาชนะใบใหญ่ใบหนึ่งเนี่ยเราตาักน้ำโครนใส่วันละกระป๋องแต่ว่าตักน้าสะอาดใส่ไปวันละแก้ว ยังไงยังไงก็สลายความขุ่นพ้นความสกปรุกในน้ำโคลนเหล่านั้นไม่ได้เพราะปริมาณนั้นแตกต่างกันเรืเกินดังนั้นในเรื่องนี้จึงทรงสอนให้พิจารณาบ่อยๆให้มากด้วยอารมณ์เหล่านี้พร้อมที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจข้างในเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโหตพระและ ใแม้แต่ใจตรึกนึกถึงอ า, ารมณ์ถ้าเห็นว่าสวยก็ต้องมองในแง่ไม่สวยให้ได้ถ้ามองไม่ได้ก็ต้องแยกย่อยออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่ทรงใช้สอนเพื่อสำรอกกิเลสส่วนนี้กิเลสส่วนนี้เป็นกิเลสที่ทรงแสดงว่ามีโทษมากมีโทษน้อยแต่คลายได้ช้า มันมีลักษณะกระจุ่มกระจิมแต่ว่าเอาเข้าจริงสลัดได้ยากาอย่างที่โบราณท่านว่าบ่วงบุรบ่วงทรัพย์บ่ว ง, ว ง, วงพันยาเนี่ยสามบ่วงนี้ถ้าใครพ้นได้ก็พ้นสังสารวัตรเพราะทั้งสามบ่วงนั้นเป็นตัวกรามฉาาันท์ทงนั้นก็ผูกหลวมๆก็ไม่แน่นไม่หนาะอะไรแต่ว่าเอาเข้าจริงสลัดได้ยากเสือเกินจึงต้องอาศัย การพินิจคือการเห็นการได้ยินการสูดดมการลิ้นการถูกต้องในครั้งแรกนั้นให้มองด้วยว่าเป็นของไม่สวยไม่งานแล้วต้องนำความคิดนั้นมาคิดบ่อยๆมาตรึกนึกบ่อยๆประการที่สามต้องสำรวมระวังอินทรีย์คือเวลาตาเห็นรูปหู ฟ, ฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสแม้แต่ใจสึกเนึกถึงอาร พยายามอย่าให้ความยินดีบางเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็พยายามไม่ให้ความยินร้ายบางเกิดขึ้นรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั้นบางอย่างก็ให้ถือเป็นเพียงสักเทวรูปเสียงก็สักเทวเสียงกลิ่น ก, ก็สักเทวกลิ่นรสก็สักเทวรสสัมผัสก็สักเทวสัมผัสซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติธรรมใจในลักษณะนี้เราก็ทากันได้ แล้วก็ทำกันอยู่เป็นประจำด้วยแต่ว่าบทจะใช้งานบางคราวใช้ไม่ได้แต่นั้นเองให้สังเกตว่ามีรูปเสียงเป็นอันมากที่เราผ่านไปโดยไม่รู้ว่ารูปเสียงอะไรถ้าจะถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็ตอบได้ว่าเพราะเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มาณศีกายไม่ได้กาหนดหมายว่าสวยเป็นงานเลยก็ไม่ได้เกิดยินดีอะไร แต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่ใจไปกำหนดว่าสวยว่างามว่าน่าค่ายน่าปรารถนาน่าพอใจนั้นมีมากเมื่อปริมาณมันมากถ้าหากว่าเกิดไม่สำรวมระวังไว้ด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มปริมาณให้สูงขึ้นก็คล้ายๆกับว่า เ, ออเรือมันรั่วอยู่แล้วแล้วก็ไปเจาะรูรั่วกันอีกตั้งหกรูเลยก็รั่วกันใหญ่ ไม่เท่าไรก็ต้องจมลงมาจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นการสำรวมระวังที่เห็นว่าสัตว์เตวารูปสัต์เตว่าเสียงสัตว์เตว่ากลิ่นสัตว์เตวรสนั้นโดยปกติแล้วมีเป็นจำนวนไม่น้อยที่คนทำได้ทำได้ในกรณีที่ไม่ได้ไปปักใจว่ารูปนั้นสวยงามกับไม่สวยงามคือว่าพอใจกับเฉย ไม่พอใจ เ, เฉยๆคือรูปที่เราเฉยๆเพราะถ้ารูปที่เราพอใจจะเกิดการมีฌานรูปที่ไม่พอใจจะเกิดขยาบาทแต่ถ้ารูปที่เราเฉยๆคือรูปที่เราไม่รู้จักไม่เคยปักใจไว้ในด้านใดด้านหนึ่งนั้นมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิน่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสแต่เนี้ยใจคนก็ไม่ได้เกิดกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวมออะไรในรูปเานั้น าการสรมราัม ร, รวมระวังอินทรีย์นั้นท่านจึงใช้ว่าสัมรวมระวังไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นเพราะถ้ายินดีกามาฉันเกิดถ้ายินร้ายพยาบาทซึ่งเป็นอนิวรณ์อีกข้อหนึ่งจะเกิดในข้อต่อไปนั้นคือให้รู้จักประมาณในการบริโภคพัฒตาาหารดังได้กล่าวมาแล้วว่าการบริโภคอาหารนั้นอาหารเป็นอาหารของกาย ไม่ใช่อาหารใจแต่ว่าคนอาศัยอุบายวิธีที่จิตถูกกลุ่มลุมด้วยกามกูคุลทั้งหลายจึงสร้างอาหารให้ไปรูปให้เป็นรูปของวัตถุกรรมคือมีทั้งรูปมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งสัมผัสเข้ามาประกอบกันเพื่อเร่งร้ากระตุ้นให้คนพอใจยินดีซื้อหาบริโภคสิ่งเหล่านั้น แ้่ท่านก็สอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคเพราะว่าอาหารที่บริโภคมากเกินไปนั้นจะเป็นพัตตะสมถทะนิวรณอีกข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นคือถีนามิทะดังนั้นท่านจึงบอกว่าให้สำรวมระวังในการบริโภคอาหารคือสังเกตการบริโภคอาหารตีเสวะอีกหกคำจะอิ่ก็ให้หยุดบริโภคข้า แล้วต่อแต่นั้นก็จะมีของหวานมีน้ำอะไรก็จะพอดีแต่ถ้าบริโภคให้อิ่มที่อาหารที่กับข้าวไปแล้วเวลาไปของหวานไปน้ำก็จะไปไม่ไหวต่อแต่นั้นทีน้มิถะกอดข้าวครอบงำแต่แน่นอนจมไม่ให้น้อยจนเกินไปเพราะถ้าน้อยเกินไปนิวรณอีกข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นคืออุทธจักภุกุจจก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำว่ามัตตัญญุตาจะพัตสมิให้รู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารคือไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปเพราะทั้งสองฝ่ายนั้นนิวรข้ออื่นมันจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าข้อปฏิบัติในส่วนที่จะแก้กามฉันนี้ถ้าแก้ผิดทางอาจจะแก้กรมฉันได้ แต่นิวรณ์ข้ออื่นอาจจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการสํารวมรางอินทรีย์ถ้าเกิดยินดีถ้าเกิดไม่ยินดีแต่ว่ายินร้ายกามฉันไม่เกิดจริงแต่พยาบาทเกิดในขั้นของการบริโภคควาตาหารถ้าหาก็าบริโภคน้อยทีนามิทะไม่เกิดจริงแต่ว่าอุทจักขุกุจจะเกิดถ้าบริโภคมากอุทจักขุกุจจะเกิด ถ้าบริโภคพอประมาณใจสงบเป็นสมาธิหนุนให้เกิดสมาธิได้และที่สําคัญที่สุดก็คือการบริโภคอาหารไม่ให้มากเกินไปนั้นไม่ได้เพิ่มส่วนที่เป็นการม า, ารยแฉ์ขึ้นภายในร่างกายและจิตใจเป็นการบรรเทาช่วยเหลือในขั้นของศีลและขั้นของการปรับจิตใจ ประการต่อไปการพบหาสมาคมกับการยาณมิตรซึ่งทางศาสนาถือว่าเป็นตั ก, การสำคัญมาก่ถ้าหากว่าได้กัรยาณมิตรที่ดีคอยชี้ทางคอยแนะนำคอยปลุกปลอบคอยดึงจิตของเราเอาไว้ม่ให้ออกไปนอกลูก่นอกทางแล้วก็สามารถที่จะคุมความรู้สึกคุมอารมณ์เอาไว้ได้ ไม่ใช่ว่าเพื่อนมีลักษณะที่กระตุน้นเร่งร้าวเชิญชวนไปให้หาความสนุกในด้านต่างๆใจของคนเรายังไม่เข้มแข็งมากพอมักจะอ่อนไหวไปตามอารมณ์ทั้งหลายถึ่งอาจจะเกรงใจเพื่อนบ้างเห็นแก่นั่นเห็นแก่นี่บางทีก็ไปได้ง่ายการคบมิตรจึงจำเป็นที่เรียกว่าปุคละสัปปายะการปฏิบัติกรรมาฐานจะต้องอาศัยบุคคลประเภทนี้ คือมีลักษณะสนับสนุนส่งเสริมให้จิตใจโน้มน้อมเข้าไปเห็นเข้าไปหาความสงบและเห็นความไม่สวยงามของวัตถุกรรทั้งหลายประการต่อไปคือเรื่องที่นำ ม, มาสนทนากันซึงรู้สึกว่าสาคัญเนื่องจากใจคนนั้นมีการมาฉันอยู่อย่างที่ว่ามาแล้วพูดไปพูดมาอดจะพูดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ ให้ลองสังเกตดูว่าวิธีบางคราวตั้งวงสนทนาอะไรต่อมิอะไรกันเรื่องยืดยาว ก, ก็ส่วนมากก็จะอยู่ในแวดวงของเรื่องต่นี้คือรูปเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสทีหน้าคายหน้าปรารถนาหน้าพอใจแล้วก็ส่วนมากก็เป็นอดีตนําเรื่องอดีตเหล่านั้นมาพูดการพูดแต่ละครั้งนั้นเนื่องจากกิเลสแก่มีเชื้ออยู่แล้วภายในใจก็เหมือนกับใส่เชื้อเข้าภายในใจอยู่เรื่อย แล้วก็ที่แปลกอีกประการหนึ่งคือพูดไปพูดมาจบลงเรื่องการกินก็จะจบลงเรื่องการกินก็อาจจะเพราะเพรา ะ, ะพูดมานานหิวหรื อ, อยังไงก็ไม่ทราบแต่แต่มักจะจบลงด้วยการกินตาก็าทดลองอัดเทปไว้ดูจะพบว่าในขณะที่พูดอยู่นั้นใจของคนถูกนิวรณ์แต่ละอย่างเข้าครอบงำแล้วก็แสดงพฤติกรรมออกมาทางวาจาเรื่องทั้งหมดส่วนมากจะไม่ค่อยจบ เพราะว่าคนหนึ่งนั้นนิวรณ์อีกข้อหนึ่งครอบงำอยู่ก็แสดงออกมาตามกำลังของนิวณ์เพราะนนการปฏิบัติในลักษณะป้องกันอย่างที่ได้ว่ามาแล้วคือในขั้นที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดด้วยการมองให้เห็นเป็นของปฏิกูลแล้วก็คิดบ่อยมีการสํารวมระวังอินงรีรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารละเว้นคนที่ไม่ดี เรื่องที่พูดแล้วเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมาชันในขณะเดียวกันก็พยายามมองให้เห็นความไม่สวยไม่งามซึ่งเป็นการเสริมสร้างเป็นการบันทอนออพวกการมาชันลงไปมองให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วต้องมองบ่อยๆต้องคิดบ่อยๆต้องนึกบ่อยๆมีการสำรวมระวงังอินทรีย์เอาไว้เวลาตาเห็นรูปเป็นต้นไม่เกิดความยินดียินร้ายมากเกินไป รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารพบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดีและสนทนาไปในธรรมนองที่จะให้เกิดผ่อนคลายความกำหนัดความรุ่มหลงความอยากได้ในจริงเดี๋นั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป